พุธวันสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปพอถึงวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็มาพบกันเช่นเคยกับรายการนี้สรนสนีสนทนาสันสนีนักพงดําเนินรายการค่ะทางสถานีวิทยุสทรอฟเอ็มร้ครอบครัวข่าวนะคะที่ฟังเป็นหลักกับสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีค่ะเราเริ่มต้นรายการกันทุกครั้งเราก็ต้องให้ท่านเนี่ย ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงและฝึกปฏิบัติไปเลยกับคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่จะปฏิบัติตามมารคมีองแปดวิธีการที่สําคัญที่จะนําพาพวกเราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ตัดสรุปเอาไว้แล้วก็ยังมีพระสูตรที่จะให้กันฟังจากท่านมาร์คด้วยนะคะพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิิซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่นที่นี้แล้ว นมรดการครับท่านคะจริญพรเช้านี้เราก็มาทามํ า, า, า, า, าความเพียรเผากิเลสกันเจริญอาณาปานสติจากความเพลยนในอารมณ์สแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายพึงสแสวงหาคือมาสแสวงหาเมตตผลนิพพานสแสวงหาความไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกต่อไปเราก็มาทําสมาธิ จเจริญอาณาปานาสติกันมีสติอยู่กับลมหายใจระหว่างนี้ก็จะอัาพระสูตรให้ฟังไปด้วยหลวพระผู้มีพระภาคเจ้ารัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนคนฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำออกสั่งสอนสัตว์มีสุทั้งหลายตถาคตนั้น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 ท่ามกลางนาที่สุดประกาศพมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทางพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำที่ถสาคตแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบดังงับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิท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 ของพระองค์ที่พงรงคตัส ก, กับราหุนไว้โดยพระองค์ตรัส ก, กับราหุนว่าราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเธอ เ, ธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจักละไปราหุลเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเจริญกรุณาภาวนาอยู่ วิหิงสาจาลละัยราหุนเธอจงเจริญมุทิตาภานาเถิดเมื่อเธอเจริญมุทิตาภานาอยู่อรารติกือความไม่ยินดีด้วยใครๆจัลละไปราหุนเธอจงเจริญอุเบกขาเถิดเมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู่ ปฏิฆะคือความหงุดหงิดแห่งจิตจักละไปราหุนเธอจงเจริญอสุภะภาวนาอยู่เมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่ราคะจักละไปราหุนเธอจงเจริญอันนีจะสัญญาภาวนาเธดเมื่อเธอเจริญอันนีจะสัญญาภาวนาอยู่อสมิมานะ คือความสำคัญว่าตัวตนของตนจากละไปอีกพระสวดหนึ่งพระ อ, องคตรัสว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตระาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรดเตยูไปไม่ถึง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 เพศสูตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากบุญด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันกเกษมจากเครื่องรอยรัดเธอดังนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาธรรมาที่กเกษมจากเครื่อรรัดต่างๆก็มีวิธีการที่เรามาเจริญภาวนาได้หลากหลายเจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาทเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละ วิหงสา ค, คือความคิดเบียดเบียนจเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติความไม่ยินดีด้วยใครๆจเจริญอุเบกขาเพื่อละปฏิฆะความหงุดหงิแห่งจิตจเจริญอสุภภาวนาเพื่อละราคะแล ะ, จะเจริญอนิจสัญญาเพื่อละอสมีมา น, นะความสำคัญว่าตัวตนของตนทางพนนี้เราก็จะค่อยๆละ อันห้าของเราและความมีตัวตนของเรานําไปสุก่การไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่อีกต่อไปค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเหมือนกับท่านบอกคุณสมบัติของยาเลยนะคะไม่มีสปปรรพคุณอะไรบ้างค่ะวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะจากพระมาร์ชชาคาวโรวัฒนาประพงลำลูกกาคลองสิบค่ะนม้มักการขอพระคุณท่านค่ะเ